ก็ง่วงแล้วก็จะนอนเลยมัน <laughs> มันต้องดูนะว่ามันสมควรนอนก็นอน <c oughs> ไม่ใช่ว่าต้องไม่นอน <c oughs> แต่ถ้ากิเลสมันชวนนอนอย่าไปเชื่อมันอนะยิงหน่อยได้นอนนานไม่ต้องกลัวหรอกแต่ว่าที่ยังทำอยู่ก็ใช้ใช้ได้อย่างเนี้ยดูถ้า <c oughs> เห็นกิเลส <c oughs> เกิดบ่อยๆใช้ได้นะข้างหลัง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 ถ้ามันวิ่งไปแล้วเรารู้ทันนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคําว่ารู้ทันนี่หมายความว่าส่วนใหญ่คือมันเกิดขึ้นแล้วเกิด ข, ขึ้นแล้วแล้วถว้อยรู้<ม>เอานะแต่ไม่ใช่เกิดไปนานแล้วนะถึงจะไปรู้ อ, อย่างเมื่อวานนี้โกรธวันนี้รู้ย่งนใช่ไม่ได้อแต่ถ้ามันโกรธมาหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ทันหายนะระลึกขึ้นได้ว่าโกรธอย่างนี้ใช่ได้อืค่ะอยากให้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงอะค่ะว่าควรจะทําสมถะยังไงหรือเปล่าคะ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 เพราะว่าจิตยังมีสองชนิดจิตที่มีสุขกับจิตที่มีทุกอยู่จิตที่มีกิเลสตัณหามีอุปาทานมีภพมีความปรุงแต่งมันเป็นทุกจิตที่มีสติมีปัญญาไม่ทุกนี่เรียกว่าไม่รู้ทุกถ้ารู้ทุกแจ่มแจ้งก็จะเห็นจิตทุกชนิดนั่นแหละเป็นทุกจิตเป็นตัวทุกโดยตัวของมันเองถ้าเห็นว่าจิตเป็นทุกล้วนๆนะมีแต่ทุกมากกับทุกน้อยจิตถึงจะปล่อยวางความยึดถือจิตได้ยากที่สุดเลยที่จะเห็นอย่างนี้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 จิตของเรามีจุดมีดวงมีที่ตั้งรู้สึกไหมวิ่งไปวิ่งมาได้ตัวเล็กๆเดี๋ยวก็วิ่งไปทางนี้ตัวเดี๋ยววิ่งไปทางนี้นะวันที่ปล่อยวางจิตนี่ยมันจะไม่วิ่งแล้วไม่มีที่ให้วิ่งเพราะมันเต็มโล ก, กธาตุเลยแต่มันไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมาแล้วถึงไหนมันก็ถึงเลยจิตกระทํามันจะเป็นอันเดียวกันจิตกระทามันจะเป็นอันเดียวกันของเราตอนนี้จิตกระทาเป็นโคร่านกันเราไม่อยากเอาธรรมะด้วย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 งั้นอย่าปิดเกาะหลักอันนี้ไวนะ้เว้นแต่ว่าจิตใจของเราฟุ้งซ่านต้องการพักทอนทาความสงบทาความสงบลงนิ่มๆสบายๆนะมันจะไม่มีหลักที่แข็งๆเทื่ อ, อ, อ, อ น, นี้อยู่แต่จิตจะรวมอย่างสบายนุ่มนวล น, นะไม่ใช่รวมแบบแข็งๆเนี่ยหลวง <c oughs> พ่อทาหน้าให้ดูนะ <c oughs> จิตจะไปตรึงไว้อย่างเงี้ยตรึงมันไม่มีความสุข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 งั้นต้องฝึกแต่อายุยังน้อยหลวงพ่อโมทนานะดีละฝึกไว้แต่เด็กๆอ้าวว่าไงส ก, การเจ้าคะ่ะพอดีได้ไปที่กราบหลวงพ่อคำเขียนที่วัดป่าสุขโตใช่คะ่ะแล้วก็กลับมารู้สึกว่าสติเกิดเกิดบ่อยมากตอนนอนทีนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งคะนอนแล้วก็พอสติเกิดพอรู้สึกตัวก็จะเห็นเหมือนแสงสว่าง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 แทนที่จะมาให้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันนะทงปฏิบัติรัดสั้นที่สุดหยุดแค่นิ้มีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปก็อชอบอ้อมๆไปนะให้นั่งให้เคลิมเคิมก่อนนั่งไปดูอันโ น, น้นไปดูอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยนะโอ้อ้อมค้อมบางคนอ้อมแล้วกลับบ้านไม่ได้เลย <laughs> ดีแล้วจิตดีขึ้นเยอะนะแต่ก่อนยังภาวนามไม่เป็น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 ถ้าเข้าใจตรงนี้นะต่อไปเราจะไม่คอยบังคับตัวเองแล้วแต่เราจะคอยเรียนรู้ตัวเองที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะดีละไปเรียนมาจากไหนจากหลวงพ่อด้วยสค่ะเพราะว่าแรกๆคือหนหลวงพ่อด้วยเนี่ยอยู่วัดไหนคะอาจารย์ป่ามอดค่ะ<อ>คือว่าแรกๆเป็นสมาถะค่ะ<อ>จนกระทั่งได้มาอ่านหนังสื อ, อแต่เธอแต่อะไรผู้มาใหม่อะคะ่ะในเว<อ>็บไซต์ website, แล้วก็<อ>วก็เลือก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 ไม่สแสวงหาก็ไม่เจอเนี่ยนี่พราะเรามีบุญของเราเราสนใจเราสแสวงหาสแสวงหาแล้วมีบุญหนุนหลังเราเจอเนี่ยเราก็ภาวนาอีกลูกศิษย์คุณดใดเลยดีละหัดดูไปหัดรู้สึกแต่อย่าไปกําหนดนะกําหนดไม่ใช่คําสอนที่พระเจ้าสอนอ้าใครจะยกมือคนต่อไป อ๋อคนนี้ว่างไวมากเลยมรดการหลวงพ่อค่ะจากครั้งที่แล้วที่มาแล้วหนูบอกหลวงพ่อว่าค่อนข้างแน่นๆแล้วหลวงพ่อบอกว่ามันแอ บ, บทำโดยที่เราไม่รู้ตั ว, วอย่างดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยพยายามจะแบบปล่อยๆมันค่อยๆดีขึ้นนะคะแล้วพอวันนี้มาวัดหนูรู้สึกเกรงใช่ได้แล้วนะดีขึ้นละแต่ว่าคือหนูไม่ทราบว่าที่ทำอยู่ทุกวันนี้นี่คือรู้สึกว่า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 ไม่พยายามแล้วก็รู้ก็รู้ก็ช่างแล้วก็นี่มันมันแบบคิดอะค่ะหลงไปหรือเปล่าอย่าหรือเปล่าอะไรก็รู้ลงปัจจุบันว่ามันคิดที่ฝึอกอยู่ใช้ได้ล้วดูไปเรื่อยๆสังเกตไม่ใจเราเบาแล้วรู้สึกเขาว่ารู้สึกไหมสติเราเร็วด้วยอะไรแปลกปลอมในกายในใจมันรู้เองอเป็นบางครั้งวเวลาจะไม่ได้ไปนั่งเพ่งเอาไว้ค่ะต่อตบางทีถ้า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 ก็ง <Yes> ันก็แสดงว่าเราให้เรารู้อย่างเดียวใช่ไหมครับว่าว่าความคิดนั้นเป็นอกุศลคือคือดูดูรู้ไปเท่านั้นพอไม่ต้องไปขนาดใจที่ทาวิปัสสนาได้ทาวิปัสสนาทาวิปัสสนาไม่ได้ทาสมถะรทาสมถะไม่ได้เอาสีรักษาตัวเองไว้ก่อนองใช้หลักนี้นะงั้นไม่ไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นมาพิจารณาคิดลูกเดียว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 แต่ว่าเมื่อทำสุดขีดแล้วได้ผลแค่ไหนนะยอมรับในผลนั้นนั้นชันเราทําบริษัทค้าขายต้องกะว่าตั้งเป้าไว้ต้องได้พันล้านมันได้10ล้านสุดฝีมือแล้วนะมันได้แค่เนี้ยก็พอใจละภูมิใจใน10ล้านนี้แลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงนี่ภูมิใจนะผลงานไม่ใช่ดูถูกเกียดยามตัวเองด้วยงนสันโดษสันโดษในในผลนะไม่ใช่สันโดษในเหตุ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 ขณะนี้ใจมันไม่ตั้งมั่นดูออกไหมค่ะรู้ไอ้ข้าเนี่ยเข้าใจไหมเห็นไหมรู้ไหมว่าไม่ตั้งมั่นเห็นว่าตื่นเต้นเจ้าค่ะเออตื่นเต้นรู้สึกไม่ใจมันไปนอกๆมันไม่มันไม่ย้อนเข้ามาถึงใจของเราเองค่ะเนี่ยให้เรารู้ทันเจ้าค่ะรู้ลงปัจจุบันไปถ้ารู้ลงปัจจุบันได้ก็ใช้ได้ที่ฝึกอยู่นี้ใช้ได้แล้วค่ะต้องดูไปบ่อยๆค่ะเดี๋ยวนี้คนที่ภาวนาแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยเยอะมากเลยนะ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 มาลองดูสักเดือนสองเดือนนะเมื่อเดือนก่อนมีแม่ชีคนหนึ่งภาวนามาจากสำนักอันหนึ่งมานะอย่างเคร่งเครียดมาเลยแล้วแกบอกแกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเวลาแกน้อยแล้วไม่ได้แกจะต้องลุยภาว น, ะนะนามานั่งถามหลวงพ่อนะถามธรรมะเยอะแยะเลยอธิบายไงนะรับไม่ได้สักข้อเลยนะนะเพราะใจเนี่ยมันเต็มไปด้วยข้อมูลเดิมทำยังไงจะต่อยอดจากของเดิมนะ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 ใจแกโล่งใจแก่เปิดขึ้นมาใจเรียนรู้สิ่งใหม่ได้มากขึ้นสรุปก็คือว่าไม่ทําตัวเป็นชาโ้นถ้วยข้อ1ข้ อ, อ2 อ, องอย่ารีบร้อนในการปฏิบัติคือจริงๆตัวที่ทําให้ช้าเนี่ยคือตัณหามานะทิฏฐิสามตัวเนี้นะมีตัณหาก็อยากอยากให้ได้เร็วกว่าช้ามีมานะกูเก่งกูเก่งถ้ากูเก่งจริงกูพ้นทุกข์ไปแล้วแหละ <c oughs> กูอย่างกระด๊อกกระแดกกูคงไม่เก่งเท่าไหร่หรอกนะ มีทิฏฐิจเจ้าความคิดจเจ้าความเห็นอย่างนี้นะ่ะอย่างนี้นะ่ะอย่างนี้น่าจะดีนะ่ะบางทีภาวนาดีๆอยู่แล้วนะยังอุตสาบิคิดให้มันวุ่นวายขึ้นไปให้ทําไงมันจะดีกว่านี้อีกนะเี่ยกลับมาคิดเรื่องทําอีกแล้วนะแทนที่จะรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าไม่มีตัณหาไม่มีมานะไม่มีทิฏฐิจะรับธรรมะได้เร็วแล้วการทําบุญนะคะอการทําบุญก็มีส่วนช่วยบ้างใช่ไหมคะบุญมีทั้งสิบอย่างเออนละยการจเจริญสตินี่แหละ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 ที่เรียกว่าเทวบุตรตมานคือจิตของเรานี่จิตที่จะลากตัวเองลงต่ํานี่เลิกเถอะเลิกเะถอยเถอะเอาตัวรอดเถอะเอาพิสังขารมานคือความคิดปรุงของเราเองคิดในทางจะบันทอนตัวเองคิดในทางล้างผลาญคุณงามความดีของตัวเองกิเลสมานกิเลสทั้งหลายจะหลอกล่อเราให้เลิกการปฏิบัติให้ลุกซะเถอะ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 งั้นต้องฝึกนะต้องฝึกฝึกตัวเองไว้คุณงามความดีทุกอย่างต้องทําแต่ทําแบบฉลาดนะไม่ทําแบบโง่ไม่ใช่ทําทานถาวายห0 0่บาทขอให้ได้มรรคผลนิพพานนิพพานไม่ใช่นิพพานขอทานนะนิพพานขอเอาไม่ได้นะนิพพานต้องสู้เอาสละ 1,000 บาทหนึ่งบาทสละหนึ่งบาทเนี่ยสละกิเลสออกไปไหมต้องดูอย่างนี้นะใจอ่ะใจเป็นไง ไม่ใช่ไปขายบ้านมาทําบุญนะโง่สุดเลยนะขายบ้านมาทําบุญในะตอนขายบ้านก็ปลื้มนะตอนเอาเงินไปทําบุญก็ปลืม้มพอเสร็จแล้วไม่มีบ้านจะอยู่กับมาสามีเตะซะอีกจิตใจห่อเหี่ยวกุศลชนิดนี้ไม่สมบูรณ์เลยกุศลชนิดนี้ไม่เบิกบานใน3ามการก่อนทําระหว่างทําแล้วหลังทํากุศลชนิดนี้กลับพร่องกระแพ่งถ้ากุศลชนิดนี้ให้ผลที่จะไปเกิดนะ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 อย่างหมอรักษาคนไข้นะหมอส่วนมากงานเยอะใช่ไหมเห็นหน้าคนไข่มองหน้าปุ๊บสั่งยาแล้วนะมีนะหลวงพ่อเคยเห็นตามโรงพยาบาลมองหน้าปุ๊บโหหมอนี้มันมีอภินญานะมองหน้าปุ๊บสั่งยาแล้วนะซังซังๆัคนไข้รับมามารอตั้งครึ่งวันนะเจอหมอไม่ถึงนาทีนะยกมือไหว้หมอหมอก็ส่งใบสั่งยามาให้นะไหว้ อ, อีกทีหนึ่งไปรอยาอีกชั่วโมง